ดิฉนเองติดใจจากการได้กราบเรียนถามถึงเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดว่าควรทำอะไรดีแล้วท่านก็บอกว่าก็ถือศีลส่เพราะว่าศีลจะนำพาให้ไปถึงขั้นโสดาบันซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหากว่าได้ปฏิบัติถูกทางต่อไป <c oughs> แต่ทีนี้ <c oughs> ท่านได้กล่าวในส่วนหนึ่งนะคะ <c oughs> ว่า ลำพังถือศีลไม่เพียงพ อ, อยังจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นอีกก็คือต้องยึดมั่นในพระราชตรัยและก็เชื่อ ใ, ในเรื่องกรรมตรงเนี้ค่ะอยากจะให้ขยายความในส่วนแรกก่อนว่าต้องเ ช, ชื่อในพระรัตนัยกับเชื่อในเรื่องกรรมได้อย่างไรคะก็คือว่าผู้เจ้าอบอกตรงนี้คือตัวโสตาปฏิยัญคัตสนะองค์คุณของโสดาบันชีปการก็คือเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามแล้วนะค่ะ และมีสินอันเป็นที่รักของพระฤาษีเจ้าคือสิ่งที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปลอยอเป็นอันที่สีนี่เรียกโสตาปฏยังคัสสีตอนี้เรามาดูความไม่หวั่นไหวในพระราชนัดตราก็คือต้องเชื่อว่าผู้เจ้าเนี่ยมีจริงตรัสรูปจริงท่านรู้ธรรมะจริงดังถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เราก็จะไม่เอาธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติและเราเชื่อมั่นในพระธรรมก็คือเชื่อมั่นว่าธรรมะที่พระเจ้าตัดสรุปเนี่ยมันนําพาเราเนี่ยคนทุกได้ เข้าสู่ความพ้นจากแก่เจ็บตายได้นะพ้นทุกในทุกระดับได้ <Okay. S 2> เชื่อมั่นในพระสงฆ์ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมแล้วเนี่ยได้ผลตามธรรมเนี่ยเป็นอริยบุคคล้นทุกได้นั้นเนี่ยมีจริงนี่คือความไม่หวัน่นไหวไม่ใช่ว่าเห็นพระสงฆ์อะไรไปเริ่มใส่ในพระสงฆ์ทั่วๆไปอะไรอย่างนั้นก็คือมั่นคงในผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติตามธรรมเพราะฉะนั้นเป็นพยานในคําสอนได้คือหมายความว่าในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ว่า เห็นใส่ผ้าเหลืองก็ไปนับถือนะคะคือต้องรู้ด้วยพิจารณาด้วยว่าเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าถูกไหมคะนับถือที่ข้อปฏิบัติคือปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนั่นเองอะตรงตามธรรมตามวินัยคือสังคมเรามีเครื่องวัดความเป็นพระสงฆ์กันผิดนะเรามองแค่เครื่องแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมีเครื่องวัดที่ข้อปฏิบัติพระที่ปฏิบัติถูกนั้นต่างหากคือพระสงฆ์ในความหมายของพระพุู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยค่ะ ฉะนั้นคิด <c oughs> ว่าในรายการของเราคงจะต้องน้อมสักการรบกวนให้ท่านได้ช่วยกลณนเล่าว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงตรัส <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ที่ถูกต้อง <c oughs> ที่จะสืบทอดพุทธศาสนาของท่านไม่ได้เนี่ย <c oughs> ว่าจะต้องเป็นอย่างไร <c oughs> แต่เราคงจะต้องใช้เวลาที่เป็นโอกาส ต่อไปเพราะว่ารายการเราก็คงจะมีให้ฟังกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เรากำลังอยู่ในห่วงเวลาที่พูดถึงว่าคุณสมบัติของการที่จะได้มีโอกาสบรรลุถึงขั้นโสดาบันที่จะทำให้ไม่ได้มีชีวิตในภายภาคหน้าตกต่ำไปกว่าการเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะไปเป็นอ่าก็เรียอะไรอ่าแล้วก็บอกว่ายังต้องปฏิบัติอย่างอื่นคือต้องมีการยึดมั่นใน รัตนกไตรทีนี้ดิฉันเองเนี่ยก็มีความรู้สึกเป็นห่วง嗯嗯嗯พุทธศาสนิกชนชาวไทยขึ้นมาเลยเพราะว่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะรู้จักพุทธศาสนาแบบอย่างข้อบพระธรรมเนี่ยคิดว่าก็มีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของการจะเลือกที่จะ เชื่อมั่นในพระสงฆ์ว่ามีอยู่จริงแต่ต้องเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติถูกต้องเนี่ยบางครั้งเราเองก็โดยความไม่รู้นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคนไทยยังมีเรื่องของาศาสนาพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเราจะไปไหว้วนเทพควบคู่ไปกับ<ช>พระรัตนาตรัยเนี่ยค่ะอย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่เป็นความหวั่นไหวไงเป็นความหวั่นไหวในพระรัตนตรัยไม่เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเก่งจริงเก่งกว่าพวกนี้ทั้งหมดเลิศกว่าพวกนี้ทั้งหมดพรมยังมากราบพระเจ้าเลย เทวดาทั้งหลายยังมากราบพระเจ้าเลยเพะนั้นเราไม่เชื่อมั่นนะในพระพุทธไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระเจ้าว่าธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยประเสริฐที่สุดก็คงจะต้องให้ท่านได้ช่วยเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องยืนยนันแล้วก็ทำให้คนฟังรายการเนี่ยได้มีความเข้าใจหรือว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เหนือเทพ เหล่านี้ที่เราก็เห็นจะมีการประดิษฐ์สถาน <c oughs> สารต่างๆตาม <c oughs> าที่ต่างๆ <c oughs> านะคะจะจะมีอย่างนี้อยู่เสมอเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งอของชาวพุทธไป็นแล้วด้วยสารไปเพื айт, ่ว่าไปเนี่ยนะคะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่เหนือเทพเหล่านี้จริงๆแล้วคนชาวพุทธไม่ควรวอกแวกไปนอกเหนือจากพระรัตนตรัยนะคะก็คือพวกเทพพวกพรหมต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาทําไม่ได้คือแก้ปัญหาความตาย จะเป็นพรหมเป็นเทวดาจะมีอิทธิปาทิหารขนาดไหนก็ตามตายหมดแต่ผู้เจ้าของเราเนี่ยคนพบวิธีแก้ตายไม่ต้องตายต่อไปเป็นอมะตะธรรมคือนิพพานนั่นเองเพราะนั้นนี่คือความประเสริฐเป็นพรหมตายไปแล้วก็อาจไปสู่นรกกาเนิดเดนนชานไปวิสัยได้เทวดาก็ไม่พ้นจากนรกไปได้เพราะนั้นเขาไม่ได้ประเสริฐอะไรกว่าเราเลยถ้าเราเป็นผู้ที่มีธรรมเพราะนั้นตัวธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องวัดเพราะนั้นเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีสัมมาทิฏฐิก็มีมีทั้งนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นพรมแล้วจะประเสริฐทั้งหมดหมดอายุไขอกุศลก็ส่งผลต่อบาป ก, กรรมก็ส่งผลต่อเพราะทุกดวงจิตนะทําบุญทําบาปมาทั้งนั้นแต่วิธีที่พระเจ้าทาสอนพระเจ้าเนี่ยต้องการให้พ้นจากทั้งบุญและบาปเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยตรงนี่คือความประเสริฐอ๋อนี่ก็พึ่ง <c oughs> ทราบว่าเ <c oughs> ทพเนี่ยมีตายด้วยเหรอคะตายตายหมดผีสารนางไม้เทวดาตายหมดมีอายุไขทุกพระภูมิมีอายุไขหมด แล้วเมื่อสักครู่ได้ยินท่านพูดเหมือนกับว่าเทพเหล่านี้ก็ยังมาฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าไว้ไหมคะโอเยอะแยะเลยพทะเจ้าเนี่ยนั่งอยู่กับพิสูจน์เนี่ยเดี๋ยวมีเทวดามาขอฟังธรรมมีพรมมาขอฟังธรรมเยอะแ ย, ยะไปหมดแสดงว่าเทวดานี่ก็มีอยู่จริงเพียง <c oughs> แต่ว่าไม่ได้อยู่ในระดับที่ <c oughs> สูงกว่าพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรที่จะไ ป, ไปให้ความสําคั ญ, ใ, คคญใช่เพราะว่าพวกนี้ยังแก้ปัญหาแก่เจ็บตาย ไม่ได้ยังเอาตัวเองรอดไม่ได้เลยยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แต่เนื่องจากว่าคนไทยนี่ก็จะมีคํากล่าวยู่อย่างหนึคงนะว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมไทยไม่ค่อยกล้าวิพากษ์วิจารณหนึ่งเต็มปากอกลัวว่าจะเดือดร้อนจากสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีปัญญาทางพุทธไปช่วยแก้ความไม่สบายใจเรื่องพวกนี้ได้ยังกูเจ้าบอกว่าใครที่คิดว่า กรรมหรือสุดทุกเนี่ยเกิดจากเทพบรรดาลพรหมบรรดาลอิศวนบรรดาล น, นี่ก็เป็นมิจฉาทิฐินี่เราไม่เชื่อภูมิปัญญาผู้จ้านะผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องทําอิทธิปฏิหารในทุกอย่างอาเทศะอาเทศนาปฏิหารกําหนดรู้จิตของสรรพสัตว์ได้ทุกชนิดน ะ, ะเราไปเชื่อภูมิปัญญาของเทพของพรหมของอะไรซึ่งยังเกิดแก่เจ็บตายอยู่เลยยังมีกิเลสอยู่เลยอย่างนี้ทีนี้หลายคน<ม>ก็อาจจะแบบว่ายิ่งไม่สบายใจเข้าไปใหญ่ว่าเ ก็ไม่ได้ไปทําเองนะเรื่องพวกนี้พระสงฆ์ได้วซ้ำ ท, ที่มาบอกว่าโยมต้องตั้งศาลนะอันนั้นก็คือพระสงฆ์นั้นน่ะไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้เจ้าบัญญัติไงเพราะนั้นเราก็ต้องแยกแยะนั้นเราต้องถือพระธรรมวินัยที่ออกจากปากผู้เจ้าเนี่ยเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วดีเสมอกันหมดหรือปฏิบัติถูกเหมือนกันหมดก็เหมือนตำรวจทุกคนไม่ได้เป็นคนดีทหารทุกคนนักการเมืองทุกคนข้ารชกา ข้าราชการทุกคนก็มีทั้งดีทั้งเลวมนุษย์ก็มีทั้งดีทั้งเลวเราจึงต้องมีหลักธรรมเป็นที่พึ่งไงหลักธรรมที่ถูกต้องก็คือคําที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละที่พระเจ้าบอกว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่อยากจะหลุดพ้นจากการตกไปในอันบยภูมินะคะก็ต้องให้ความสําคัญกับการที่จะต้องศึกษาเพื่อที่จะได้ศรัทธาโดยบริสุทธิ์กับพระรัตนตราย ะ ค, ะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งรายการของเราเนี่ก็จะค่อยๆมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์นะคะเพราะว่าจะพยายามเน้นในสิ่งที่ได้รับการชําระแล้วว่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์โดยตรงนะคะสำหรับเรื่องที่เรากําลังคุยกันอยู่นเนี่ยดิฉันคิดว่ามันก็แก้ยากสําหรับสังคมไทยต้องค่อยๆปรับเอาน้ําดีเข้าไป ค่อยๆขยายความถูกต้องออกไปเรื่อยๆฝากกันไว้กันแล้วกันนะคะสําหรับในการที่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยสิ่งที่เราจะถือว่าได้ทําบุญใหญ่อีกอย่างหนึ่งด้วยไหมคะในการที่ทําให้ศาสนาพุทธไม่ได้เบี่ยงเบนเป็นบุญไหมคะท่านโอ้โหเป็นบุญมหาศาลเลยเป็นการนาลงไว้ซึ่งพระสัตย์เป็นความเจริญของพระศาสนาความเจริญของพระศาสนาเนี่ยมี4อย่างหนึ่งจดจําบทพยัญชนะกันมาถูกความหมายถูกอธิบายถูกเนี่ย ใช่ไหมอย่างที่สองพิสูจเป็นผู้ว่าง่ายนะอย่างที่3เนี่ยคนที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะเนี่ยต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนไม่งั้นาศาสนามันก็จบนะ<ฆ>อ่าแล้วอย่างที่4พระที่เป็นเถระแล้วคือบวชนาน10ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิธีทาปารลความเพียนนะสิ่งเหล่านี้ต้องทําแต่ถามว่าเราทําเหตุที่เป็นไปนเพื่อความจเจริญมั่นของพระศาสนาหรือยังยังเลยนะอย่างนี้บทปัญญชนะก็ผิดไปถือคาของใครก็มิรู้ที่แต่งขึ้นภายหลัง คำผู้เจ้าลืมทุกคนลืมคำผู้เจ้าหมดเลยเก็บขึ้นหิ่งไม่ไปสนใจแต่คำผู้เจ้านั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องน่าสนใจที่สุดต้องเอาผู้เจ้าเนี่ยมาเป็นอาจารย์ของเราเราเนี่ยต้องสนใจเข้าไปศึกษาทีนี้ดิฉันเชื่อว่าถึงตอนนี้หลายคนที่ฟังอาจจะบอกอ้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าที่ท่านอาจารย์คึกฤทธบพูทเนี่ยเป็นคําของพระพุทธเจ้าค่ะก็ตรวจสอบได้ตอนนี้คือคํำผู้เจ้าเนี่ยมีทั้งหมดในพระไตรปิฎกค่ะ แต่ปัญหาของการการเข้าไปศึกษาพระไตรปิฎกก็คือว่าจะมีคําของอัตถกถาเนี่ยปักพลอยู่ในพระไตรปิฎกด้วยซึ่งเป็นความเห็นเพิ่มเติมในชั้นหลังอัะ น, นั้นคนที่เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็พยายามดึงพุทธวจนะออกมาเนี่ยก็คือท่านพุทธทาสที่ได้รวบรวมนะพุทธวจนะออกมาแล้วในส่วนของอริ ย, ย 4, นะสัจสี่นะปฏิจจสมบาทประวัติที่พระองค์เล่าเองน ะ, ะการว่าเก่าตักเตือนสั่งสอนพิสูจนโดยตรงเพราะฉะนั้นหมวดธรรมที่สําคัญสําคัญเป็นโลกุตตรธรรม เป็นไปพร้อมเพื่อมรดผลนิพพานความพทุกข์เนี่ยได้รวบรวมไปแล้วที่เป็นคําจากพระโอษฐ์เนี่ยอันนั้นเราให้เข้าไปสนใจตรงนั้นดังนั้นก็คงจะถึงแก่ความกระจ่างมากขึ้นนะคะว่าไม่ได้หยิบยกขึ้นมาลอยๆแต่ว่าต้องถือว่าเป็นการทํางานที่ยิ่งใหญ่ของท่านเพื่อธาตุแล้วก็ทางคณะของพระอาจารย์คือกริชเนี่ยนะคะก็ได้พยายามที่จะมาสานต่อเป็นภาระที่สําคัญในฐานะที่เป็นพุทธบุตรต้องเปนอย่างนี้นะคะเราก็ ถือว่าเป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่ง <c oughs> ก็จะทําหน้าที่ของชาวพุทธเช่นเดียวกันและทฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยจะทำหน้าที่ของชาวพุทธได้ดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าช่วยกันเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นของถูกของโบราณของที่เป็นของแท้ <c oughs> กันต่อๆไปค่ะอยากจะให้ท่านได้แนะนำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เจริญสติ อีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะทีฉันถื อ, อ, อว่ารายการวิทยุน้อยนักนะคะที่จะมาแนะนําการเจริญสติแบบง่า ย, ายๆค่ะการเจริญสติแบบง่ายๆอย่างหนึ่งนะที่อยากเน้นกันอยู่เรื่อยๆคือการละความเพลินกะารดึงจิตกลับมารู้อยู่กับกายกายจะรู้ลมหายใจก็ได้ผู้เจ้าตรัสว่ากายนี้ลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเมื่อเราละความเพลินแล้วเนี่ยคิดอดีตคิดอนาคตไปเนี่ยรีบทิ้งรีบวางรีบปล่อย แล้วกลับมารู้ลมหายใจเข้าไว้นี่ชื่อว่าเป็นการเจริญสติแล้วนะสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงอารมณ์ที่เราตั้งไว้นะอารมณ์ที่เรากำลังเพลินจะดับไปและอารมณ์ปัจจุบันจะเกิดขึ้นเกิดความรู้ตัวขึ้นนั่นแหละแล้ว <c oughs> ความเพลินที่เราจาเป็นต้องละทิ้งเนี่ ย, ยมันไม่ดียังไงล่ะคะความเพลินเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความพอใจ และถ้าเราพอใจในสิ่งใดเนี่ยเราจะเกิดทุกข์เพราะสิ่งสิ่งนั้นอปัญหามันคือทุกข์มันจะเกิดก็รียกว่าเป็นการตัดเหตุแห่งทุกข์อย่างหนึ่งถูกต้องตัดเหตุแห่งทุกข์ใช่ค่ะเราก็ได้วิธีที่จะทําให้เราไม่มีความทุกข์อีกหนทางหนึ่งเพราะว่าถามว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถามว่าอยากได้อะไรนะคะนอกเหนือจากอยากได้อยากรวยอยากมีชื่อเสียงอยากอะไรแต่ไม่อะไรแล้วทุกคนบอกไม่อยากมีความทุกข์อยากมีความสุข เราก็แนะแนวทางให้นะคะในรายการที่แั้งกํางสั่งอยู่ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวร้อยหก